ธรรมะจากพระผู้รู้ตอนที่11คําคำถามแรกและคำถามที่สองตอบไว้เมื่อ9ก้ากรกฎาคมพุทธศักราช2542โดยสันตินันหรือพระอาจารย์รปราโมดปาโมชโชในปัจจุบันถ้าวันวันเราแต่รู้สึกว่าทุกอย่างดีน่าทึ่งน่าสนใจมีความสุขไปหมดลวคะ เป็นกิเลสอะไรแล้วเมื่อใดถึงอยากจะได้นิพพานเหมือนคนอื่นๆเขาถ้าหนูพอใจจะอยู่กับโลกและมองโลกในแง่ดีความทุกข์บางอย่างก็ลดลงได้อย่างนั้นก็ดีแล้วครับคือดีกว่าเป็นคนมองโลกแง่ร้ายและหงุดหงิดราคาญไปทุกเรื่องคนเราไม่ได้หวังมรรคผลนิพพานกันทุกคนหรอกครับธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จึงมีหลายประเภท เพราะพระพุทธเจ้าท่านเมตตาต่อทุกคนเสมอกันหมดธรรมะจึงมีทั้งประเภทที่จะให้เราอยู่กับโลกได้อย่างมีทุกข์น้อยๆหน่อยกับธรรมะที่จะพ้นจากโลกไปเลยสำหรับคนกลุ่มน้อยที่รู้จักโลกมามากพอแล้วชอบคํากล่าว<ม>ที่ว่าไม่มีใครทำให้เราเป็นทุกข์ได้หรอกนอกจากเราทาของเราเอง ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็รับผลอันแสบร้อนนั้นด้วยตนเองอย่างยุติธรรมที่สุดแล้วเพราะบางครั้งความทุกข์นั้นมันก็มาเองโดยที่เราไม่ได้เป็นคนทำให้มันเกิดแต่เป็นผลพวงของคนรอบข้างซึ่งลากเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์ได้โดยเราไม่ได้เริ่มหรือแสวงหามันเราจะทาไงคะ ก็เป็นความจริงครับที่บ่อยครั้งเราอยู่ของเราดีๆแต่คนอื่นมาสร้างปัญหาให้เราเช่นเราทำงานของเราอยู่ดีๆเพื่อนอีกคนไม่ชอบทำงานแต่ประจบเก่งเวลามีงานก็โยนให้เราทำให้มีความผิดก็ป้ายให้เราแต่พอมีความชอบก็ชิงตัดหน้าเอาเซเองเราก็จะรู้สึกว่าเขาทำความทุกข์ให้กับเราแต่ถ้ามองในแง่ของพระพุทธศาสนาแล้ว สิ่งที่เขาทำให้เราคือปัญหาเท่านั้นแต่เมื่อเราเผชิญปัญหาแล้วเราเป็นทุกข์ของเราเองเพราะถ้าจัดการให้ดีเราก็เรียนรู้แล้วแก้ปัญหาไปโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ได้ปัญหาเป็นสิ่งที่คู่กับชีวิตครับแต่ทุกข์เป็นสิ่งแปลกปลอมลลนจนจดดิดฟ คำถามที่สตอบไว้เมื่อ12กรกฎาคมพุทธศักราช2542โดยสันตินันหรือพระอาจารย์ปราโมทปราโมโชในปัจจุบันถามถ้าจะยกเอาความว่างมาเป็นเครื่องระลึกรู้จะทำให้ติดสมถะได้ไหมครับตอบการทำสมถะโดยยกเอาความว่างมาเป็นอารมณ์นั้นหากดูกจิตชำนาญแล้วก็พอทำได้ไม่ยากนัด คือไประลึกรู้ความว่างเอาความรู้สึกแน่สนิทเข้ากับความว่างจนจิตรู้ความว่างโดยไม่ได้ตั้งใจประคองไว้สำหรับการติดสมถะขั้นความว่างนั้นตรงนั้นเกิดจากการที่เรารู้ไม่เท่ากิเลสประเภทราคะละเอียดครับจิตจะมีอาการอ้อยส้อยอ้อยอิงรักใคร่พอใจในความสงบถ้ารู้ทันกิเลสในใจตนเองจะไม่ติดสมถะหรอกครับ ในากไม่ตปอ ค, อคำถามที่สตอบไว้เมื่อ๑3กรกฎาคมพุทธศักราช2542โดยสันตินันหรือพระอาจารย์ปราโมทปราโมโชในปัจจุบันถามการมุ่งทำวิปัสสนาอย่างเดียวจะมีผลดีกว่าการทำสมถะไปด้วยหรือไม่ครับตอบหากรู้สึกล้า ก็ควรทำความสงบบ้างครับจิตจะได้พักผ่อนบ้างบทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่11ออ่านโดยอนุสร์ปรีโสภาความมหด จะเพียง น, นองใจไปสู่ฟังฟ้า